ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่นที่สาสิพระอภิธรรมปิฎกยะมะกะภาคสองพระอภิธรรมปิฎกยะมะกะภาคสอง พอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจิตตะยมักกะอุเทศหนึ่งสุทธจิตตสามัญญะหนึ่งบุคลวาระหนึ่งอุปาทานิโรธกาลสามเพทวาระหนึ่งจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จกดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม จิตของบุคคลใดจากดับไม่ใช่จากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมสองอุปาทุปปันนาวะสองจิตของบุคคลใดกาลังเกิด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 จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม 6. จิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จากเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิด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 จิตของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม 6. อุปาทนิโรธวาระสิจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม จิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก in ็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก really ็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมสิอจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม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 จิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมอุเทศแห่งปุคละวาระจบหนึ่งสุท ธ, ธิจิตตสามัญญะสองธรรมวาระ หอุปาทานิโรธากาลสัมเพทวาระยี่สิบเอ็ดจิตใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็จักดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใดจักดับไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จักเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับแต่จักเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับนี้ไหม สอุปาทุปปันนาวะยี или, ่สิบสองจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมสนิโรธุปปันนาวะยี่สิบสามจิตใดกําลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม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 จิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมยี่สิบห้าจิตใดกาลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจกเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จกเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมยี่สิบหจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหม จิตใดจักเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมห้านิโรธวาระยี่สิบเจ็ดจิตใดกําลังดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับ จิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมยี่สิบปดจิตได้กาลังดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตได้จักดับจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตได้ไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมยี่สิบเกจิตได้เคยดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตได้จักดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหม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 แอุปัจชะมานุ ป, ปันนาวาระสามสิบสี่จิตใด้เกิดอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใด้เกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมเกนิรุชะมานุปันนาวาระสาสิห้าจิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม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 จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตได้เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจักเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใด้ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใด้ไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดอติตานาคตวาระสาสิบเจ็ดจิตได้เคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จกเกิดใช่ไหม จิตได้จักเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมสิบสองอุปนุปปชะมานวาระสาสิบจิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหม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 จิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหมสิบสี่อติกันตระวาระสี่สิบจิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆุขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดล่วงไปทุกๆุขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกทุขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหม จิตได้ล่วงไปทุกทุขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกทุขณะที่ไม่ใช <the> ่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตได้ล่วงไปทุกทุขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกทุขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมโอเทแห่งธรรมวาระจบ ถ้าจิตตสามัญญะสปุคลธรรมวาระหนึ่งอุปาทนิโรธกาละสมเพทวาระสี่สิบเอ็ดจิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับมีไหมสองอุปาทุปันนวาระสี่สิบสองจิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม จิตแดงของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตแดงของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมสนิโรธุกปันนาวะศูนยสาจิตใดงของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตแดงของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม จิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมสี <c 93> <c redit> alors, ่อุปาทวาระสี่สิบสี่จิตได้ของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหม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 จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมจิตใจของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหม46จิตแตของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมจิตใตของบุคคลใดจักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใจของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม จิตแต้ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมหนิโรธวาระสี่สิบเจ็ดจิตแต้ของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตแต้ของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตแต้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตแต้ของบุคคลใดไม่เคยดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม48จิตได้ของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม สี่สิเกจิตใด้ของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมหอุปาทานิโรธวาระห้าสิบ จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตน so ั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมห้าสิบอดจิตใด้ของบุคคลใดกำลังเกิด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 จิตได้ของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมเจ็อุปชมานะนิโรทวาระห้าจสามจิตได้ของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหม จิตแดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดนของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตแดนของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม8อุปชะมานุปันนาวาระห้าสิบสี่จิตใจของบุคคลใดเกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตได้ของบุคคลใดเกิดแล้วจิตน okay. ั us, ้นของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช ah ่เกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใด้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมเกนิรุชฌามานุปันนวาระห้าสิบห้าจิตได้ของบุคคลใดดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตแด้ของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมสิอุปันนุปาทวาระห้าสิบหกจิตแท้ของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม จิตแทของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตแท้ของบุคคลใดจกเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมจิตแด้ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดอติตานาคตวาระห้าสิบเจ็ดจิตแดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตแดของบุคคลใดจกเกิด จิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตแด้ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เม่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมจิตแดนของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เม่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมสิบสองอุปนุปัชฌานวาระห้าสิบแปด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 จิตนั้นของบุคคลนั้นล่วงไปทุกุขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมอุเทศแห่งปุคละธรรมวาระจกสองสุตันตจิตตมิสกวิเสสะหกสิบอดจิตมีราคะของบุคคลใดกําลังเกิดและถึงจิตปราศจากราคะของบุคคลใดกําลังเกิดจิตมีโทสะของบุคคลใดกาลังเกิด จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตปราศจากโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตโธหูของบุคคลใดกำลังเกิดจิตฟุ้งสร้างของบุคคลใดกำลังเกิดจิตเป็นมหักระตาของบุคคลใดกำลังเกิดจิตไม่เป็นมหักระตาของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีทรรอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกำลังเกิด จิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกำลังเกิดจิตเป็นสมาธิของบุคคลใดกำลังเกิดจิตไม่เป็นสมาธิของบุคคลใดกำลังเกิดจิตหลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกำลังเกิดจิตไม่หลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกำลังเกิดสอภิธรรมจิตตมิสัปวิเศษะหกสิองจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดจิตที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิด จิตที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดกําลังเกิดจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาของบุคคลใดกําลังเกิดพึงยกบาลีอุเทศโดยวิธีนี้ตลอดจนถึงจิตที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้จิตที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ของบุคคลนั้นก็จับดับไม่ใช่จับเกิดใช่ไหม จิตที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ของบุคคลใดจักดับไม่ใช่จักเกิดจิตที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมอุเทศแห่งมิจา ก, การะจบอุเทจ า, าระจบ ถ้าจิตตสามัญญะหนึ่งปุคลวาระหนึ่งอุปาทานิโรธกาและสมเพทวาระหกสิบสาอนุโลมปุจฌาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จากดับไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิจาชนาในอุปาทาขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแต่จากดับไม่ใช่จากเกิด ในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จ <i>. <com> ิตของบุคคลเหล่าน <pent> ั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแต่จักดับและจากเกิดปฏิโลมปุชฌาจิตของบุคคลใดจากดับไม่ใช่จากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กาลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดใช่ไหม วิไม่ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิไม่มี 2. อุปปาทุกปันนวาระ64อนุจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิในพังคาขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทาขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหม deutlich. วิในพังคาขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต <Unf> และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไ ม, ใชใชไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปติจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สนิโรธุ ป, ปันนวาวะระหกสหอนุจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในอุปาทพณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่กาลังดับ แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไ ม, ใชใช ไ, ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่สอุปาทวาระ66อนุจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่กาลังเกิดก็ใช่อนุจิของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิด จิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีหกสเจอนุจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ไม่ใช่จะเกิดในอุปาทภณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดก็ใช่จกเกิดก็ใช่ปติจิตของบุคคลใดจกเกิดจิตของบุคคลน pa ั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังขขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุปอยู่ในอสศันเนสัตถภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่กาลังเกิดก็ใช่อนุ จิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขาขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังค์ขาขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักเกิดก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิด จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่กําลังเกิดก็ใช่68อนุจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในพังคคขณะแห่งปัจฉิมจิต จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่จกเกิดก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดจกเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิด จิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด 5. นิโรธวาระ69อนุจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปติจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทภขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุปัติอยู่ในอนสัญญัตตภูมิ จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังค่าขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีเจอนุจิตของบุคคลใดกาลังดับ จ sistema, ิตของบุคคลนั sistema, ้นก็จ erm ักดับใช่ไหมวิในพังค์ขนณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ไม่ใช่จักดับในพังคขนณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับก็ใช่จักดับก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต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 อนุจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้น <hết> ก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กําลังดับก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่เคยดับ จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับ 6. อุปาทานิโรธวาระเจอนุจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดเคยดับ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 จิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีเจสอนุจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขั้หนแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัสัตตภูม จิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทคณาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคคณาแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบาตัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตพุธจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับ Стати, ในพังค์ข้าขณะแห่งปัาชิมมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่เจสิบสี่อนุจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ขาณะแห่งปจชิมมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่จักดับ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 ในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้านิโรธธรรมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ กำลังดับ ก, ก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 8. อุปชะมานุปันนาระ76อนุจิตของบุคคลใดเกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิ ในพ e ังค่าขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในพังค่าขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เกิดอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ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 จิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิ rets. บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสรญยสัตสตภูมิ Chicken. จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้ว จิตของบุคคลนั้นก็ไม okay ่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วมีไหมวิไม่มีเจสิอนุจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้พร้อมเพลิงด้วยจิต จิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปาติจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้ว จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิเกิดแล้วสิบเอ็ดอติตานาคตะวาระ80สิบอนุจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตของบุคคลใดจกเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช kind of th ่อนุจ <paid> ิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปติจิตของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด สิอุปันุปัชฌ์มาณวาระแปอ็อณุจิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมวิในพังคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ปฏิจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมวิใช่อนุจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหม วิใช่ปฏิจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในพังค์คณะจิตไม่ใช่เกิดอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ 13. นิรุทธะนิรุชะนะวาระ82ออนุจิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ จิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิในพังคขณะจิตไม่ใช่ดับแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ดับอยู่ในอุปาถัคนะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่ดับแล้วก็ใช่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ใช่ปฏิจิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่ดับอยู่ แต่ไม่ใช่ไม่ดับแล้วในอุปาทะขณะจิต ท, ที่เป็นอนาคตไม่ใช่ดับอยู่ก็ใช่ไม่ใช่ดับแล้วก็ใช่14อติการตกาละวาระ83อนุจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกทุกขณะที่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิในพังคขณะ จิตล่วงไปทุกอุปาทขณะแต่ยังไม่ล่วงพังฆาคขณะจิตที่เป็นอดีตล่วงไปทุกอุปาทขณะก็ใช่ล่วงไปทุกพังฆาคขณะก็ใช่ปฏิจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกทุกขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตละถึงอนุ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 วิในพังคขณะจิตไม่ล่วงพังฆะขณะแต่ไม่ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ล่วงพังฆะขณะก็ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะก็ใช่นิเทศแห่งปุคละวาระจบ